ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลปงพโพธิญาณในวันนี้คงพูดเรื่องสมาสติในข้อของเรียกว่าอายตนปะปปะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนะอายตนะนั้นก็มีสองขวายนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกวายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาธรรมลมก็เรียกว่ า, ายตนะ ภ, ภ, ภายนอก สิ่งเราจะสังเกตได้ว่าความดีหรือความชั่วมันเกิดขึ้นทางเนี้ยวันพวกนี้บางทีเนี่ยท่านเรียกว่าถาวรถานรก็แปลว่าประตูนะฮะประตูก็เป็นทางเข้าเหมือนประตูบ้านเรานี่คนดีก็เข้าคนร้ายก็เข้าสัตว์ ก, ก็เข้ามาก็แล้วแต่เราป้องกันดีขนาดไหนล่ะแต่เราป้องกันได้ดีเนี่ยภัยอันตรายก็ไม่มีโอกาสเข้ามา แต่เถ้าเพราเราป้องกันไม่ได้ดีเนี่ยภัยอันตรายก็จะเข้ามาแต่ในที่นี้ทรงสอนในรูปคล้ายๆกับมีวรณาปภาที่ว่าไว้แล้วนะฮะคือเรื่องกิเลสเหมือนกันคือไม่ใช่ตัวยะตาณะเป็นกิเลสแต่ว่าเป็นทางเกิดของกิเลสเพราะว่าเวลาสัมผัสอารมณ์ตัวลองสังเกตนะครับเราจะไปกําหนดเอา กำหนดว่าหน้าสวยอ่ะกำหนดด้วยความกำหนัดอ่ะความกำหนัดมันก็เกิดกำหนดด้วยความขัดเคืองความกระเคืองมันเกิดกำหนดด้วยความรุกลงความรุกลงมันก็เกิดกำหนดด้วยความประมาทความประมาทมันก็เกิดรูปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละรูปมันก็เป็นต่อแต่แว่ารูปจ ะ, จะเจอเราไปตีค่าไปสร้างความรู้สึกต่อมันเอง ตามที่เราเก็บความรู้สึกต่อมันไว้ภายในใจแล้วก็มีปฏิกิริยาออกมาเมื่อไปสัมผัสกับมันหังจากนั้เกิดกิเลสก็ได้เกิดธรรมะ ก, ก็ได้เกิดเฉยๆก็ได้แล้วเราก็ทำได้อยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละเราสังเกตว่ารูปเป็นแนันมากที่ไม่มีท่พละตัวใจเราเลยเสียงร้องเพลงเสียงไรต์ไรเนี่ยบางที ยกตปรอย่างว่าเราเปิดวิทยุฟังเนี่ยเราเปิดหมุนไปเฉยๆหมุนผ่านหน้าปัดเต็มที่เลยแล้วก็ดับไม่ยอมฟังนั้นแสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งด น, นั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะแต่ถ้าลองดูที่ที่เราได้ฟังอย่างตมาเองเวลาเดินทางจะฟังนะดูรายการอะไรที่มันได้เรื่องได้ราวเป็นสาระแกน่นสารแล้วก็ให้เด็ก ก็ น, นี่ก็ เ, เปิดฟังพวกเราก็อ่านหนังสืออะไรก็ไม่ได้อยู่ในรถเนี่ยมันก็ได้เท่าที่ได้แต่ถ้าให้ไปอยู่ที่กุฏิแล้วก็นั่งฟังวิทยุในห้องไม่เอาม้องสีเวลาเป็นไว้แต่ว่ามันมีข่าวคราวมันมีเรื่องราวอะไรสำคัญส้องขันที่ควรจะรู้ไว้เราก็ให้ความสำคัญ แต่มายความว่ามันต้องมีความสำคัญในตัวมันก่อนโดยจึงยอมรับความสําคัญของมันแต่ว่าต้องฟังในฐานะที่เป็นข้อมูลทางการศึกษาเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกในเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในโลกก็ควรจะรู้บ้างเพื่อสื่อสารติดต่อกับเขาได้ใงวันก่อนเี่ยมีคนสอบถามเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นเดียสหรัฐอเมริกาเนี่ย ถามว่าจะมีการทำสงครามกันไหมมันก็บอกว่าอยู่ที่จะคิดยังไงอะอยู่ที่ใครจะคิดยังไงหรือถ้าเราคิดแบบพุทธเนี่ยครั้งนี้เป็นความสูญเสียของมนุษยชาติที่รุนแรงมากแล้วก็เป็นการกระทำต่อประชาชนตามดำดำธรรมดาไม่ได้พกพาอ า, าวุธเครื่องประหารไม่รถทัพจับศึกอะไรกับใคร แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเพิ่มความบุ๋มแรงมันก็มีคนตายเพิ่มขึ้นตั้งคนเหล่านั้นก็อีกแหละคือคนที่ไม่รู้อิโนอเนี่ยอะไรแล้วก็พลอยสูญเสียบาดเจ็บล้มตายคนท่าคนแก่เด็กเล็กต่างๆผู้หญิงเป็นนักบวชอะไรต่รก็พลอยตายกันไปเป็นแถวไม่รู้ที่เราคิดยังไงเฉยๆ คืคิดได้มันสูญเสียเพิ่มขึ้นก็ได้อย่างมีคราวหนึ่งที่เหตุการณ์ลุ่มเรืออะไรนะลุ่มแนะม่น้ําโขงนะรักษาลิงฝากแม่น้ําโขงที่มีพันจ่าอากาศเอกของเราไม่ใช่พันพันจ่าเอกของเราตรกริงตายคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ศพเราพูดไปในทํานองที่ว่าทําไม่ได้ศพก็ต้องเพิ่มศพ คือมันพูดได้แหละแต่มันได้อะไรขึ้นมาคือมันต้องให้มีศพน้อยที่สุดอ่ะเพราะถ้าศพมากมันก็ลุกลามมันตายลงไปมันทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับความคิดเพราะถ้าเราคิดในทางศาสนาแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเราเนี่ยเวรย่อมไม่ระ ง, งับโดยการจองเวรแต่จะระ ง, งับไปโดยการไม่จองเวร คือไม่ใช่ว่าเขาทำเราไปยกย่องว่ากเขาทำดีนะฮะคือไม่ดีก็คือไม่ดีเขาอะก็ว่าทำไม่ดีแต่เราไปทำไม่ดีด้วยเราก็เป็นคนไม่ดีด้วยอะแต่ความคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาเสร็จแล้วมันมาบทหาบทสรุปได้ ว, ว่าปัญหาว่าคุณคิดยังไงที่ทด้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยสันติก็ได้ ชีได้เพิ่มความรุนแรงแล้วเดือดร้อนกันทั้งโลกก็ได้เค้าใจง่ายว่าเวลาเนี้ยโลกมันคล้ายๆกับถูกยอดส่วนลงไปมันก็เทือนกันหมดเห ก, การเกิดอเมริกาเราก็นั่งดูเหมือนก็เกิดที่บ้านเราเพรามีข่าวว่าจะอาจจะถึงมีสงครามก็ก็มีข่าวปัญหาเรื่องน้ํามันขึ้นราคาปัญหาเรื่องตลาดหุ้นปั่นป่วนปัญหาดึง การอุปยกลืุทธย้ายแต่และอย่างมันก็สร้างความทุกข์เดือดร้อนน่นแหละแกมนุษยชาติทั้งนั้นเพราะความคิดบางอย่างเนี่ยเมื่อเราผ่านยุคผ่านสมัยผ่านความเจริญก้าวหน้ามาเนี่ยมันต้องคิดเองบ้างนะฮะไม่ได้คิดตามก๊อ ป, ปี้ที่คนอื่นมาก๊อปปี้มาให้คิดบ่าปุญญาตยาท่านสอนให้คิดยังไงก็ต้องคิดอย่างนั้นไปทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ดอกบทเรียนในอดีตแต่มันเป็นบทเรียน ที่เราชอบที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันว่าปัญหาเหล่านั้นเนะ่ะเกิดสร้างความสูญเสียสร้างความ ร, ร้อนวุ่นวายกระจายไปในส่วนต่างๆของโลกกี่ครั้งกี่วนแล้วทำไมจะต้องคิดอย่างนั้นลองดูตัวอย่างที่เราจะนึกถึงเรื่องวนกกรกคดีก็ได้นะไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนอะไร เราติดตามสมมติว่าในเรื่องรามเกียร์เนี่ยในช่วงแรกถ้าหากว่านนทกแกรู้จักคิดว่าทิพนารายต้องเสด็จมาปราบเนี่ยเพราะเราก็ไปฆ่าคนเยอะเราก็ผิดมันก็ควรจะอยู่กันตรงนั้นได้แล้วไม่ควรจะคิดจะจองล่างจองผรานกัน เวรก็ยุติตรงนั้นนดนทุบก็ตายแล้วก็เกิดใหม่โดยจิตใจที่สงบอจะเกิดดีกว่าเกิดเป็นยากกันนะปณาราเองก็ปล่อยไปเรื่องเด็กเขาไม่พอใจก็มีสิทธิ์แต่ไม่จำเป็นจะต้องท้าตีท้าต่อยไปสู้กันในโลกมนุษย์มันก็ไม่จำเป็นอะไรจริง ส, สรุปว่ามันก็คุมใจไม่ได้ทั้งคู่ บรรลุอำากแกอารมณ์โทสะร่วมอำนาจแก่อารมณ์ที่เรียกว่าเป็นกลายเป็นคนที่ใครแตะต้องไม่ได้มันก็กลายเป็นปัญหาถรือว่าลงมาในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะเห็นมีหลายตอนที่สามารถจะหยุดเรื่องราวลูกลามในเรื่องราวมันเกียนได้เนี่ยอนะเช่นว่า ยิงข้อมที่พระรามท่านทดลองสอนก็ยิงสอนแล้วก็ทำให้หลังตรงแล้วก็ยิงกลับไปหลังข้อมอีกเนี่ยก็ถือว่าก็ท่านก็ทดลองอาวุธของท่านแต่เราก็ไม่บาดเจ็บอะไรดีนะท่านไม่ฆ่าเราเนี่ยถ้าท่านฆ่าเราเราก็ตายก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องอาคาตพยาบาทอะไร มันก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนักหนะปถานการ์ยุยงให้นางกายเกษีเกิดอาฆาตพยาบาทในพระรามก็จะไม่ปรากฏแต่ในสุกรากเป็นความอาฆาตพยาบาทแล้วยุโยงนางกายเกษีนางกายเกษีเองก็เหมือนกันคือพระรามก็เป็นลูกกันะหรือไม่น่าจะไปริษยา แต่พอถูกแรงยั่วยุข้าวปังก็เกิดฤตษยายดไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรแล้วมันขอราชสมบัติจากท้าวทศรถให้แก่ประพรตประพรตเองก็ปฏิเสธเยงเยงอย่างนี้เดต่ก็ยังไปขอท้าวทศรถเองก็แสดงความไม่พอระใยตือตาหน้าจะรู้สึกแต่ก็ไม่รู้สึก แล้ลากเรื่องกันไปจนถึงว่าพระพรตเองก็ต้องที่วงโคเททดเลยเท่าทศรถเองก็ที่วงคตไปด้วยความขับแค้นพระไทยพ ร, รามเองก็ถูกเดินป่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องความคิดอย่างนั้นแหละเราตั้งกันตีนี้ว่าพระรามไปอยู่ป่าแล้วเนี่ยก็อยู่กันโดยปกติสุขต่างอาสมเป็นฤาษีชีพรยอยู่ในป่า ก็สามารถจะครองชีวิตอยู่ได้ตามปกติสุขประสมควรแต่ก็มีนางสมนัาขามาเกิดฤศยาในนางสีดาก็คนที่ผัวหลอมียงามมันเดียวไปไปยุ่ง อ, ะ, อะไรทำไมก็เป็นเรื่องของบุญทํากรรแต่งของเขาแต่เราไม่คิดฤสยาก็ไม่มีอะไรขึ้นมา เอานางสามัญกะเกิดเปรน้ยศยากันมาอกีกแล้วก็ไปหาแนวร่วมเอาทศกัณ์มาเป็นแนวร่วมยุโยงจนทศกัณฐ์หลงไหลครั่งคล้ายในนางสีดาตั้งแต่ไม่เห็นนี่ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักคิดในสุขประสงค์มารีบแปลงมาเป็น ควังทองเอามาล่อพระรามไปล่อนางสีดาเรื่สีดาเองก็เกินไปไปอยากเล่อวังทองมันก็เริ่มกันลากแลือพระรามก็เกินไปไม่มีเหตุผลในการอธิบายคือเราเห็นว่ามันมันมันอยู่ระบบความคิดทั้งหมดเลยเป็นกระบวนการความคิดที่คิดผิดแล้วก็ลากปัญหาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นล้างราชวงศ์พงษาของ พฤติการลงไปเป็นนันมากก็มีการบาดเจ็บล้นตายกันแต่ละคนนั้นก็มีอิทธิฤทธิ์มีอนุภาพมีศักยภาพความสามารถสูงที่อาจจะสร้างสรรพัฒนาอะไรให้เกิดขึ้นได้แต่เพราะว่าคิดผิดไปหมดลากกันเข้าแล้วก็พุ่งกันไปเป็นแถวและในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่เราทราบกัน ปัญหาอายตนะเนี่ยปัญหาในโลกปัจจุบันเนี่ยแหละเราลองสังเกตเถอะคือที่เรามีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางสังคมมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาเรื่องอาถยากรรมต่างๆมีปัญหาเรื่องขาดการวางแผนครอบครัวมีปัญหาเรื่องโรคเอสดมีปัญหาเรื่องการหย่าล้างมีปัญหาเรื่องต่อสู้กันมันทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากความคิด คือเรามองดูระดับการเมืองนะรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายอดบูตส่งคนไปรับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากบบินคริมตันส่งเครื่องบินไปรับมานะฮะเป็นห่วงไปอยู่ต่างประเทศก็จะเกิดอันตรายกดละพักกัน บินกินตั้งก็เรียกร้องประชาชนอเมริกาว่าต่อไปประธานาธิบดีเราคิดยังไงเราต้องคิดเหมือนกันนี่คือแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่การคิดอ่ะแต่ถ้าเราดูในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเลยนะะมาเกิดวิกฤตขึ้นมาแทนที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขวายค้านก็มีหน้าที่ค้านลูกเดียวเลยทําไมต่ำไมจะต้องค้านไปทุกเรื่องนั่นก็เป็นอยู่ที่ความคิดเราไม่ชอบ คือฉันต้องเป็นเองคนอื่นคนอื่นเป็นไม่ดีทั้งนั้นเลยฉันต้องเก่งกว่าคนเดียวฉันเหนืออาชีพคนอื่นไม่จะเหนื่อยชีพแล้วก็เป็นมาแล้วนะฮะเป็นมาตั้งเยอะเป็นต่อกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าคนเหล่าเนี้ยแต่ก็ไม่ดีได้ได้อะไรกันมาอันนี่คือเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้แก้ไขที่ตัวเองไปคิดจะไปแก้ไขที่คนอื่นอยู่ตลอด ด้วยความคิดทางเศรษฐกิจเนี่ยสมมติว่าบ้านเมืองเราในขาดเงินจาต่างประเทศแต่คนไทยเราช่วยกันคิดเราทํำยังไงจะไปเที่ยวขนเงินไปต่างประเทศทําไมนั่งหนาทําไมจะต้องเรียนต่างประเทศทําไมจะต้องขนเงินต่างประเทศทําไมจะต้องทัวร์ต่างประเทศเก็บเงินไว้ในบ้านในเมืองเราได้ไหมเที่ยวก็เที่ยวในเมืองไทยเมืองไทยคุณยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นอะไรเนี่ย บ้านของเราเองจังหวัดของเราเองนะเรายังไม่รู้เรื่องเลยจะไปรู้เรื่องต่างประเทศแต่มากมายไกลกองเพราะฉะนั้นมิาต่างประเทศที่โอนเงินแบปตั้งเจ็ดพันล้านอะไรแต่เราจะเห็นว่ามันอยู่ที่ความคิดอะ่ะคือถ้าเราคิดถึงชาติบ้านเมืองเราทำยังไงว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเกิดมาอาศัยชาติบ้านเมืองให้ชาติบ้านเมืองได้อาศัยบ้าง แล้เที่ยวก็ออกก็เที่ยวกันในเมืองไทยพวกค้ายาบ้าพวกอะไรแต่ะผิดตำนายยาบ้าเนี่ยมันมันก็อยู่ในความคิดทั้งหมดแหละแต่เราโน้กดูเขาคิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่ได้คำนึงว่าเออผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนจะตายไปนั้นมากเลยเสียผู้เสียคนเป็นั้นมากเลยต้องคิดแต่จะตัวเองจะรวยแต่รวยไปไหนจะกินอะไรจะอยู่ยังไง เสร็จแล้วเราก็ตายคนเราทําบุญและบาปทั้งสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นน่ยเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราบุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปก็วันก่อนเนี่ยมีนายตํำรวจผู้ใหญ่ขวลดเกษียณแล้วนะฮะท่านมานิมนต์ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านจริยธรรมแก่คนที่มีปัญหาเรื่องโรคเอด จะมาเองมันมองมานา น, นว่าเรื่องอย่างนี้รู้แสนรู้รู้แสนรู้แต่ทำไมไม่ควบคุมตัวเองรักษาศีลหน่อยได้ไหมรักษาศีลห้าหน่อยได้ไหมศีลก้อที่สามไม่รักษาเสียหน่อยได้ไหมก็มีครอบครัวมีผู้ครองเรียบร้อยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอย่าสํำสอนในทางเพศ คนเราจะแต่งงานกันก็นกสวดเราออกเสรียเรียบร้อยแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็ซื่อทรงต่อกันไม่สาสอนทางเพศทำไมจะไปสร้างปัญหาหมันรุงรังพันเตไปหมดเลยคือในพวารู้สึกจริงๆแล้วก็เฉยๆนะฮะคือรู้สึกว่าเป็นคนสร้างปัญหาหแก่ตัวเองแล้วก็พระเราไม่จะบวชมารักษาโรคเอง เราไม่ได้หมอที่จะไปรักษาคนได้เนี่ยเราก็ทำงานกับมาคนละทางแล้วเขา ก, ก็มาชวนไปนะฮะตอนก็แจกยาที่ชวนไปบอกว่าไปไม่ได้เราเราไม่รู้หัวรู้ก้อยรู้อะไรไปทำอะไรไมันไม่ได้ไประโยชน์คือมันต้องมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยนะฮะนหน้าที่ของเราที่จะไปแจกยาอย่างนั้น คือพระเนี่ยเราจะลืมนะเราต้องชัดเจนนะเราไม่ใช่หมอเนี่ยาไปแจกเขาอะแล้วเขากินแล้วตายอะทำไงเราก็ต้องอบัตเพราะงั้นปัญหาความคิดเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญในเรื่องนี้พระเจ้าก็สอนให้เราควบคุมที่ความคิดน่นะให้ศึกษากระบวนการทางจิตเวลาสัมผัสกับอารมณ์ มันจะเกิดยินดียินได้หรือเฉยๆก็เท่านั้นเน่ย น, นะก็มีอยู่สามอย่างยินดียินได้ก็เฉยๆแต่ว่าทำยังไงจะควบคุมจิตใจของเราให้เกิดกุศลและจิตหรือเฉยๆสองอย่างก็ อ, อย่างนี้อย่างคนที่เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเนะ่ยคือพระเราเนะี่ยอย่างอย่างเนี้อย่างโดนรงณ์รบเรื่องเรื่อง โลกเอเรื่องยาบ้าเนี่ยเราเราิ่อารมณ์เรื่องศีล น, น, นะนั่นเองเราพูดระดับศีลข้อการรมเอศมิชาจารย์เพื่อให้คนมองเห็นโทษของกรรมเอสศมิชาจารมองเหนโทษของการสําสอนในทางเพศแล้วลดละในเรื่องเหล่านี้ลงไปแต่ถ้าเขาไม่ทําก็เรื่องของเขาอ่ะเราก็มองในแง่ของกรรมสัตว์ตั้งหลายก็เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็ปนผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรมก ร, เกรมรเป็นเผ่ า, าพันธุ มีกรรมไปที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นหรือคนที่เสพยาบ้านะฮะไอผิดจําหน่ายยาบ้าเนี่ยคงจะติดต่อเขาไม่ได้อนะเถพยาบ้าเราก็เตือนมองยินโทษของยาบ้าคือเขาผิดเนี่ยเราห้ามก็ไม่ได้แต่วันมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิ่งมาชนปากเราเนี่ยนะมันก็อยู่ของมันมันไม่มีชีวิตจิตใจอะไร ทำไมเราไปยอมสยบมันทำไมมันก็ปิดไปแล้วปกติไปแล้วก็แสดงจิตใจอ่อนแอหรือว่าคนเนี่ยมันมันไม่ได้ควบคุมใจตัวเองไม่ได้ฝึกปืนตัวเองทําไมจะต้องอ่อนแอคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาไม่ใช่ว่าพูดเอาเฉยเฉยนะคือเรื่องทั้งหลายเนี่ยเคยผ่านการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วเราก็เคยผ่านไว้เด็กมาแล้วเหมือนกันเราไม่ใชน่นิ่งเราโตเป็นพระเลยไนมะ่ได้ แล้วก็ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเราก็รู้เราก็เห็นเราเคยพิสูจน์ทดสอบมาเราก็คนนะฮะทุกคนก็เป็นคนมันอยู่ที่การมองหรือทาทีต่อโลกต่อชีวิตต่ออารมณ์ต่อสังคมที่ยังเคยยกตัวอย่างเอาไว้ว่าถ้าคนเราในพัฒนาปัญญาขึ้นไปถึงระดับหนึ่ง มองสรรพชีวิตด้วยความเป็นมิตรมองสิ่งไม่มีชีวิตด้วยการเคารพสิทธิของกันและกันแล้วก็ไม่ร่วงละเมิดกันทรัพย์สิสนทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นทั้งหมดเราไม่มีสิทธิแต่ต้องไม่มีสิทธิไปร่วงละเมิดไม่ดีสิทธิไม่มีสิทธิไ ป, <c oughs> ไไปยื้อแย่งมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครอง แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้เฉพาะของขอเราเท่านั้นต้าหกว่าคนได้มองได้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งเฉลียวคิดสักนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพิเลเยแต่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ธรรมะก็เข้ามาถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่ต้องขันตัวยิ่งตัวใจนะฮะตัวใจเป็นตัวรับสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจหมูกลิ้นกายแล้วแกก็จําไว้แล้วแกก็นํามาคิดนํามาเนียบนึกนำมาจดนึกมาปรุงคิดคิดปรุงปรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆซึ่งถ้าหากว่ามีการฝึกปรื้ตัวเองรู้จักขุมใจตัวเองมินิจฉัยตัดสินอารมณ์ที่มากระทบนะ น้อยที่สุดในีอดกั้นต่ออารมณ์ตรงนั้นมันอาจจะมีการด้วยยุยั่วยวนปรุงแต่งมีระบายสีมีสีสันอะไรแต่ไรมากมายเนี่ยเราก็อดกั้นอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนตรงนั้นยั่ยุตรงนั้นไม่จิตใจเราอ่อนไหววันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะทําได้ ว่าแนวยาตวนตนาประภาในจริงเป็นแนวชีวิตนะแนวอินทสียสังวรนะฮะเราคิดแนวระดับอินทรีย์สังวรคือสําบูรณ์ระหว่างอินเสียไม่ดูสั บ, บ้างไม่ฟังสั บ, บ้างไม่พูดสั บ, บ้างไม่คิดถึงสั บ, บ้างเอาควบคุมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะทําก่อนจะพูดอะไรก็มีสติมีสัมปชัญญะในการควบคุมตัวเอง อย่างที่ท่านบอกว่าปากเป็นปูหูตากล้าตาตะแกรงปากไม่แป้งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนาให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวนั่นเองต้องฟังทั้งหลายแต่หลวงโอพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นธรรมีที่สุดนี้ขอความเจริญงาองามไปบูญในธรรมจึง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี